สัจจะคือสภาพที่จริงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นรวมลงใน8ดข้อนั้นได้มีอยู่ในทุกๆคนนี้เองเพราะทางแห่งชีวิตที่ทุกๆคนดำเนินอยู่ทุกเวลาถ้าไม่ดำเนินไปในทางทุก็กดำเนินไปในทางดับทุกหรืออาจดำเนินไปในทางนี้บ้างทางนั้นบ้างเป็นสัจจะที่มีอยู่ในตัวบุคคลเองถึงตนเองจะไม่รู้ว่าดำเนินไปในทางทุก มีความร่าเริงสนุกสนานไปในทางนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นทางสุขก็คงเป็นทางทุกข์อยู่นั่นเองเป็นที่หน้าการุณาของผู้รู้ที่ดูอยู่แต่แม้จะมีผู้กรุณาชี้บอกอยู่สักเท่าไรดังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสบอกทางเหมือนดั่งทรงชูดวงประทีปในที่มืดเพื่อผู้มีจักสุขจะได้มองเห็นรูปทั้งหลายถ้าตนเองไม่ยอมดูให้รู้สัจจะในตนเอง เหมือนอย่างที่จักสุก็ไม่ยอมลืมจักสุขขึ้นดูประ ท, ที่ท่านผู้มีเมตตาชูขึ้นให้มองเห็นสิ่งต่างๆในความมืดก็ไร้ประโยชน์สำหรับผู้นั้นนี่แหละเรียกว่าอันธพาลที่แปลว่าผู้เขาเหมือนอย่างบอดเป็นผู้มืดหน้ามืดหลังมืดมามืดไป บุคคลเช่นนี้ย่อมไม่รู้จักตนเองต้องการสมรภาพในทางที่ผิดแสดงออกในทางที่ผิดมีความริษยาในความทำดีและในผลดีของผู้อื่นเป็นต้นแม้จะรักตนก็ทำตนเหมือนอย่างศัตรูของตนเองไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นเป็นอันตรายแก่ส่วนรวม ส่วนผู้ที่ยอมดูเข้ามาให้รู้สัจจะในตัวเองคือพยายามอบรมปัญญาในตนเองให้มากขึ้นตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้คือศึกษาในวิชาที่ตรงกันข้ามคือ 1. ความรู้ในทุกข์ 2. ความรู้ในเหตุเกิดทุกข์ 3. ความรู้ในความดับทุกข์ 4. ความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกสั้นว่ามร หความรู้เงื่อนต้นหรือในอดีต 6. ความรู้ในเงื่อนปลายหรือในอนาคต 7. ความรู้ทั้งเงื่อนต้นและเงื่อนปลายทั้งอดีตหรือทั้งอดีตและอนาคต 8. ความรู้ในธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตนนี้แหละ เชืว่าได้ศึกษาเพื่อละอวิชาในตนเองจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองจะไม่ต้องการสมาภาพในทางที่ผิดจะไม่แสดงออกในทางที่ผิดจะไม่ริษยาในความทําดีและในผลดีของผู้อื่นจะบรรเทาความเมาความหลงจะมีความเห็นชอบตามคลองธรรมและตามสัจจะดำรงตนอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งที่เรียกว่าต่ําหรือสูงในทางโลกก็ตามจะเป็นผู้ที่ถือเอา และดำเนินทางถูกทางสว่างเสมอชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสว่างหน้าสว่างหลังสว่างมาสว่างไปกระทั่งถึงสว่างตลอดสายอันวิชาคือความรู้สัจจะในตนเองนี้ควรศึกษาอย่างยิ่งตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แม้ดังที่ยกมาอธิบายข้างต้น เมื่อศึกษาจะได้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับสัจจะในภายนอกเช่นความรู้ตามที่ตามองเห็นก็เห็นดวงอาทิตย์โคจรทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกหรือที่เรียกว่าอาทิตย์โคจรรอบโลกส่วนความรู้ที่เกิดจากการศึกษาแสดงว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์กลับตรงกันข้ามสัจจะในภายในก็เช่นเดียวกัน ความรู้ตามที่รู้อย่างผิวเผินว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อศึกษาในวิชาของพระพุทธเจ้าจะได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งที่กลับตรงกันข้ามและจักรู้ว่าความรู้เดิมเป็นอวิชชาคือรู้ผิดเป็นความหลงเข้าใจผิดเห็นผิดโลกอันอวิชชาคือความไม่รู้จริงปิดบังไว้แล้วจึงหลงดุดอยู่ในที่มืด เพราะความอยากมีประการต่างๆและความประมาทเลินเล่อจึงไม่มีปัญญาเห็นปรากฏจะมัวร่าเริงจะมัวบันเทิงอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาสนี้ถูกไฟกิเลสเผาให้ลุกโคลงอยู่เป็นนิดท่านทั้งหลายถูกอวิชชาอันทําให้มืดบอดปกคลุมแล้วเหตุชไหนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปเล่า